Uthan <laughs> sar. เวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ทุกคนมาอย่างน้อยก็ต้องได้คำว่ามโนธรรมเนี่ยกลับไปเพราะว่ามโนธรรมมันก็คือสิ่งดีที่มีอยู่ให้กับ ชีวิตมนุษย์หลักของพุทธศาสนาเรามีคำมัียสยิ น, นเป็นพื้นฐานแล้วก็การทำสมาธิเป็นท่ำกลางและการใช้สติปัญญานีเป็นสิ่งที่สูงสุดทั้งหมดก็เป็นสามระดับด้วยกัน เอ็เมื่อคืนก็พูดในแนวรวมๆกันเป็นเรื่องของศีลแล้วนี่เป็นพื้นฐานถ้าใครไม่มีอย่างที่ํามาแสดงไว้ว่าทีวิตสุดท้ายคนนั้นก็ไม่มีความสุขก็เป็นความทุกข์โดนเบียดเบียนก็เหมอนอยู่ในนรก นรกก็คือความทุกข์ที่เรามีอยู่ในจิตของเราทุกคนทีนี้เรามาพูดถึงในยะของสมาธิบ้างสมาธิมีอยู่สามระดับด้วยกันในเบื้องต้นเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิในท่ามกลางก็เรียกว่า อุปาจาระสมาธิแล้วก็ในขั้นลึกก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเช่นสมาธิสามระดับอย่างที่เรามาบำเพ็ญใหม่ๆเนี่ยบางคนได้บ้างหลุดบ้างแวบๆชั่วครู่ชั่วยามเนี่ย เขาจะเป็นคนิกะคือไม่ใช่ว่าได้แบบตลอดแล้วก็ยากนะใครที่จะนั่งได้จริงๆหรือว่าสมาธิจิตตั้งได้จริงๆเนี่ยยากยากมันคล้ายๆกับตารมาเปรียบให้ฟังคล้ายๆกับคนเริ่มดำน้ำานี มันเหนื่อยนะให้นั่งเฉยๆเนี่ยยากกว่าเดินไปเดินมาทำงานทำการรู้สึกมันสบายกว่านะเรารู้สึกได้ใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งเวลานั่งโอ้โหนานแต่ให้ทำการทำงานทุงทีแป๊บเดียวเครื่องวันไปแล้วแล้วก็เหนื่อย พระพุทธเจ้าจริงใช้ว่าให้ทำความเพียรวิริเยนณรุขคะเจติบอกบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็ต้องใช้ความเพียรฉะนั้นคณิกะสมาธิเบื้องต้นอย่างที่เราได้ฝึกกันมาในรองทำที่ที่เราฝึกเลองเอาขาขวาทับขาซ้ายก่อน แล้วก็มือขวาทัทบมือซ้ายหรือประสานกันตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าก็คือทำความรู้ตื่นในขณะปัจจุบันทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรียก มีสัมปชัญญะมีสติกำหนดรู้อยู่ในรูปกายที่นั่งจะไม่หลงไม่เผลอเลยในปัจจุบันที่เรากำลังตั้งบัลลังก์ขัดสมาธิอยู่เสร็จแล้วก็หลับตาหลับแค่ตานอกลืมตาใน ถ้าตาในหลับไม่เรียกว่านั่งทางในก็เรียกนั่งหลับไหลหรือนั่งแบบไม่รู้อะไรเลยมืดทั้งนอกทั้งในฉะนัหลายคนเริ่มต้นก็ปฏิบัติผิดแล้วพอหลับตาปุ๊บบางคนก็เคิบเคลิม้มแล้วก็นั่ง ปล่อยจนเผลอหลับไปฉะนั้นวิธีนั่งสมาธิเราหลับแค่เปลือกตานอกแต่ข้างในเนี่ยมีสตินสัมปชัญญะตื่นรู้เหมือนกันคิดเลขในใจคือทุกอย่างมันมีความตื่นอยู่ว่าเรา กำลังทำอะไรพอเสร็จแล้วนี่คือเป็นเพียงรูปกายที่เรานั่งนั่งขัดบัลลังก์สมาธินี่คือรูปกายนะแต่สมาธิจริงๆไม่ใช่อยู่ที่รูปกายกว่าจามาจะรู้ก็ใช้เวลาหลายปีนะสมาธิ มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่เราบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาอ้าเช่นแต่ก่อนที่จะเกิดสมาธิเนี่ยจิตของพวกเรานี้โดยปกตินะจะวอกแวกความคิดบางทีก็สับสนจิตใจบางทีก็ฟุง้งซ่านบางทีก็เกิดความรำคาญด้วย ฉะนั้นวิธีของการปฏิบัติจึงใช้คาว่าองค์ภาวนาเพื่ออะไรองค์ภาวนาก็เพื่อให้เรามีจุดยึดเหนี่ยวอยู่กับองค์ภาวนาดังเช่นเราใช้คาว่าพุทธโททำความระลึกรู้อยู่ที่องค์ภาวนาอยู่ภายในว่าพุทธโท ใครจะเปล่งเสียงขนาดไหนข้างในรู้เองจะช้าเร็วขนาดไหนก็แบ่งช่วงระยะของการภาวนาเองว่าเหมาะและสบายตรงไหนนั้นการภาวนาะจุดสำคัญคือทำแล้วต้องสบายคนที่ปฏิบัติไม่เข้าใจพยายามบีบพยายามกดพยายามบังคับอาตมาบอก เริ่มก็ผิดแล้วอะไรที่ไม่สบายเนะี่ยมันจะต่อต้านทำให้จิตมันสบายทำให้ลมหายใจสบายทำให้องค์ภาวนาสบายอะไรก็ได้ถ้าเรากำหนดลมก็ดูลมให้สบายถ้ากำหนดองค์ภาวนาว่าพุทโธพุทโธให้แบบสบายแต่สบายแบบมีสติ ไม่ใช่เครือ่ครืม้มไม่ใช่เพ้อเลอไม่ใช่หมกมุ่นไม่ใช่ลุ่มหลงนั่นอาการเหล่านั้นไม่เรียกว่าเกิดสมาธิมันเกิดก็เมื่อความเครือ่ครืม้มไม่ใช่ฉันหลักการภาวนาเนี่ยสําคัญนะเริ่มผิดสิบปีก็ไม่เกิดอะไรได้แต่ก็เมจิตเกิดกุศลแต่ว่า พลังแห่งธรรมะหรือพลังแห่งจิตไม่เพิ่มพูลขึ้นพอเรากำหนดได้บริกรรมไปจะดูลมหายใจเข้าออกหรือตามลมเข้าออกหรือกำหนดเพียงรู้ที่ปลายจมูกเข้าออกหรือดูแค่ลมเข้าออกอะไรก็ได้ ทำไมเช้่ออะไรก็ได้นั่งรถยี่ห้อไหนก็ได้ให้ถึงจุดหมายคือทำให้เกิดความสงบจึงเรียกว่าเกิดสมาธิชั่วขณะเป็นคนิกะอุปาจาระก็คือเริ่มมั่นคงอยู่ที่เราทำฉช่ั้นพอเรานั่งเ็าเรียกเป็นการนั่งทางใน เสียงทั้งหมดโลกใบนี้แรงสัมผัสทั้งหมดที่มีปล่อยวางสันเสริญนินทาเฉยๆฟังไว้เฉยๆเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายอย่าไปใส่ใจกำหนดอยู่ที่องค์ภาวนาจนถึงคำว่าความสงบหรือเกิดเป็นจิตตะวิเวก ถ้าใครทำได้จุดนี้ได้เปรียบมากเลยได้เปรียบได้เปรียบที่ว่าเรามีฐานเรามีฐานเป็นที่ตั้งแห่งความสงบพอมีอะไรมากระทบเราเนี่ยถึงเจ็บมันก็ไม่เจ็บมากเกินมันจะช่วยได้ มันเหมือนเรามีภูมิเออใช่ว่าเรามีมีภูมิป้องกันในระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เบียดเบียนเราอยู่ตลอดทั้งร่างกายและก็จิตใจโรคเบียดเบียนร่างกายปัญหาเบียดเบียนสภาวะภายในใจเราจนเกิดขึ้นมาทุกข์ จำเป็นไม่ต้องมีสมาธิตาบอกยิ่งกว่าจำเป็นนี่พวกเรามาเรียนช้าด้วยนะเรียนช้าเนี่ยเรากําหนดไปเรื่อยๆก่อนใหม่ๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรอไม่ต้องอยากได้หรือคิดว่าทําแล้วไม่ได้วางไว้กําหนดไปเรื่อยๆสําคัญทําแล้วให้มันสบาย ถ้าหายใจติดขัดต้องหาวิธีหายใจใหม่ถ้าหายใจพอนานแล้วไม่ไม่ถูกจริญมันร้อนเปลี่ยนเป็นองค์บริกรรมพุทธโธแทนถ้าบริกรรมแล้วไม่สงบหายใจแล้วติดขัดก็ยังมีวิธีเยอะแยะใช้สติกำหนดนั่งดูความเกิดดับ แล้วก็วางพวกเราไม่ค่อยรู้จักคำว่าวางวางอารมณ์เรารู้แต่คำว่าวางสิ่งของเรารู้แต่วางวัตถุเพราะหนักเราก็วางแต่เราไม่เคยวางคําว่าจิตที่เรายึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นน่าสงสารนะน่าสงสาร จะมาเจอโยมคนหกสิบกว่าปีมาสารภาพว่าโยมติดคุกมาหกสิบกว่าปีแต่มาก็บอกโอ้โหคดีหนักเลยโยมแต่มาก็ผ่าซื่อนะโยมเขาบอกฟังทำจากท่านแล้วก็ตอนนี้พ้นโทษแล้วอ๋อหลุดพ้นจากจิตเข้าใจแล้วเข้าใจ บางคนเข้าใจว่าทุกนีิวางไม่ได้นะก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินว่าทุกนีิวางได้ก็เาเแปลกใจบอกได้ยินพระคุณเจ้าบอกแม้ความทุกข์นี้ก็ยังปล่อยวางได้เขาไม่เคยฟังเขาบอกเขาลองทําดูเขาบอกเออใช่แล้วก็โยมก็มาหาก็มาหาแล้วก็มาบอกว่าเขาผนทษละ ติดคุกอยู่ห0สิบปีครับอกก็ดีเ็าทุกมานานอายุไม่กี่ปีเขาก็เริ่มมีทุกข์และชีพิตคนฉะนั้นเราภาวนาก่อนมันจะมีจุดหนึ่งเริ่มต้นภาวนาเสร็จพอถึงจุดหนึ่งคำว่าอัปปนาสมาธิน การภาวนา น, นี้จะเกิดก็เมื่อความสงบลงหรือระงับลงหรือดับมันเหมือนกับเอาหินก้อนหนึ่งนะลองนึกภาพตามเป็นก้อนกลมๆประมาณสักไอที่ก็ทุ่มน้ำหนักโนะยนลงน้ำต้มถ้าสมาธิลึกนะมันจะดิ่งกึงจนไปนอนอยู่ใต้ก้นบึง แล้วก็นิ่งอยู่สภาพตรงนั้นแดดจะส่องลมจะพัดจิตนั้นจะมีคำว่าสภาวะที่นิ่งเฉย อ, อยู่ทีโบชีวิตเราเนี่ยได้ยินได้เห็นได้สัมผัสได้กระทบแต่จิตนั้นไม่หวั่นไหวตรงนี้เป็นผลกำไรนะจิตไม่หวั่นไหว บางคนนี้ไม่เคยทำสมาธิใช่ไปใช่มาพลังจิตอ่อนคล้ายๆเป็นโลแบทนะแบทมันอ่อนมันเตือนแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่คนๆนั้นก็ไม่มีพิธีที่จะทำให้จิตนั้นดีหรือแข็งแรงหรือเข้มแข็งขึ้นมาสุดท้ายกลายเป็นคนที่ที่รับอะไรไม่ได้แล้วพวาไปหมดกลัวไปหมดตกใจไปหมด ถึงบอกเออน่าสงสารเขาไม่รู้วิธีรู้แต่รู้แต่แบกแต่ไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติถึงบอกนะเนี่ยพอเราทำไปแรกๆเนะี่ยทาไปอย่าเข้าใจว่าความสงบเกิดแล้วไม่ได้ยินเสียงนะ ของเรายังไม่ถึงขั้นเวทีนิโรธสมาบัตินั่นคือขั้นดับนะังนั้นเข้าๆเก้าวันสิบห้าวันไม่กินข้าวกินน้ำกินแล้วนิ่งไปเลยแต่ของเรานี่ยังอยู่ในการปฏิบัติในรูปฌานสี่ตั้งแต่ปฐมฌานทุตยาาิยฌานตัตยฌานจจตุตฌานเรายังมีปิติสุขมีเอกัตตามีวิตกวิจาร์ ใหม่ๆก็เกิดวิตกวิจารความตรึกความตรองนัางเนี่ยทำไปทำไปเรื่อยๆข้างในเราตื่นนะหลับแค่ตานอกแต่ข้างในไม่หลับนิ่งก็รู้ว่านิ่งสงบกรงบ็รู้ว่าสงบรู้รู้แบบจิตวางเชืสบาย จนถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งคืออะไรพอจิตเริ่มสงบนะเชื่อไหมว่าแม้เราเคยภาวนาว่าพุทโธจิตมันก็จะไม่พุโทโธทําไมไม่พุทโธมันถึงความสงบแล้วมันเฉยนั่งจึ๊บเหมือนคนไม่อยากจะพูดเออเหมือนคนไม่อยากจะพูด สังเกตไหมอาการของคนที่จะนอนหลับเนะี่ยก็คือต้องสลัดทุกอย่างแม้ได้ยินก็ไม่สนใจแล้วเฉยๆทุกอย่างและเข้าสู่ความสงบหรือเข้าสู่การหลับสองอย่างจะจะต่างกันนะหลับกับสงบถ้าหลับไหลเนี่ยมันก็คือ ร่างกายพักไปเลยแต่ถ้าสงบนี้จิตพักถึงบอกมีหน้าถึงสมัยครั้งพุทธกาลเนะี่ยมีผู้ทำฌานเยอะมากเขาหาความสุขในฌานเป็นความสุขในฌานนั่งสบายจนเกิดตำบักจนเกิด อำนาจของอภินยาขึ้นมาฉะนนพวกเราบางทีภาวนาถึงจุดหนึ่งมันเริ่มเริ่มสงบลงองค์บริกรรมบางทีพุโทโธอยู่นานแล้วบางทีมันก็ไม่ต้องการภาวนาแล้วก็ให้เขาสงบลงเมื่อก่อนจะมาไม่เข้าใจ้วมันนั่งอยู่นานเลย เรายังพุโทโธอยู่ตั้งหลายชั่วโมงจนบนทีจิตมันหนืดจนไม่อยากพุทไม่อยากโทแล้วแต่เรานึกว่าต้องพุทโทมันถึงจะถูกสุดท้ายพอจิตเราเริ่มนิ่งสงบลงมั่นมั่นคงขึ้นมันหน่วงลงหน่วงลงจนกึ๊บองบริกรรมนั่นมันหยุด แด้ก็นิง่งอยู่สติก็รู้นะเราลึกรู้จิตสงบนิง่งองค์ภาวนาดับก็นั่งดูข้างในนะที่บอกนั่งทางในเนะี่ยนั่งเราเห็นนั่งเฉยสติตื่นรู้เรารู้นั่งสงบลมพัดผ่านกายยุงกัดบ้างได้ยินเสียงบ้างใจเฉย นี่เป็นอุปจาระคือได้กลางกลางเราได้แบบตั้งได้แต่ว่ายังมีเสียงได้ยินก็สักว่าเสียงไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่รํารำคาญอะไรเฉยและที่สำคัญตอนไหนรู้ไหมพอตอนเราถอนออกจากสมาธิแล้วใจยังเังเสพความไม่เวกหรือยังเสพอยู่กับความสงบออกมารู้สึกเลย รู้สึกตาเรานิ่งนะตาเราจะนิ่งมากกว่าเดิมอากับกิริยาของเรารู้สึกละเอียดขึ้นการมองการเห็นละเอียดขึ้นคำพูดคำจาเนี่ยมีสติมากขึ้นเอ๊ะนี่มันคือสิ่งที่แปลก สิ่งที่เราได้มาโดยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันเกิดจากการภาวนาสําคัญนะจุดนี้เราไม่รู้ว่าเออเราเกิดจากภาวนาพอเราทํำบ่อยๆเข้าไอ้อาการที่มันเล่าร้อนจิตที่เราเคยโกรธง่ายๆโมโหวไวๆเนี่ยเอ๊ะรู้สึกเมื่อก่อนท่านี้เราเราโกรธนะเราโมโหล้ว ทิศทำไมเราเราเรากับเฉยๆได้มันจะมีข้อต่างเลยนะแต่บ่โอมันมันมีภูมิป้องกันให้จิตเราเนี่ยไม่เกิดกั้นาความหวั่นไหวหรือแม้ความวิตกกังวลเนี่ยก็ลดลงนะเช่นโยมลองดูว่าอำนาจของการทำฌานสมาธิสามารถระงับนิวรห้านได้นะ หนึ่งจิต ท, ที่พยาบาทอตอนทําสมาธิเนี่ยกุศลจิตเกิดความโกรธเกลียดพยาบาทนี้สงบลงนะเาเรียกสงบระงับความลังเลสงสัยวิธิกิจฉานี่มันก็ออสงบลงความรำคาญใจความฟุ้งซ่านเออมันสงบลงความเคลิบเคลิม อุตจักขุกขจักทินมิทธะความเครือบเคลมสลึมสลือก็หายไปกลายเป็นการมีสติที่ตื่นไม่เผลอไม่เครือบเคลมบอกเอ อ, อดีดีดีดี ทำให้เราไม่ไม่หมกมุ่นมากๆอยู่กับร่างกายนี้ได้กรรมมาคุณห้าทั้งหลายที่เราไปหลงมันเรากลับพบว่าสุขนี้ละเอียดกว่าทำไปจุดหนึ่งพอเราได้เข้าสู่ความสงบในระดับหนึ่งปุ๊บรู้แล้ว เวลาลืมตาออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราละเอียดเนียนขึ้นถ้าเป็นผ้าก็ผ้าละเอียดถ้าเป็นเนือเน้อก็เนื้อละเอียดเนียนขึ้นอารมณ์ก็สุ ข, ขุมขึ้นนะไม่พีผาาไม่วูวามไม่บกเวกว้อยไว้ไม่มัน เราจะรู้ว่าเออเมื่อก่อนเราเป็นคนแบบนี้เริ่มเห็นตัวเองนี่ตึงบอกกระจกส่องร่างกายแต่สมาธิส่องใจให้เรารู้ภายในของตัวเราเองเนี่มบอกว่าศึกษาชีวิตต้องเริ่มจากจิตภายในของตนศึกษาผู้คนต้องหัดดูอุปนิสัยศึกษาสิ่งเรื่อยๆไปก็บอกให้มองโลกให้กว้าง แล้วเราก็ค่อยเห็นถึงบอกอสุดท้ายเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเราควรยืนอยู่ตรงไหนเราควรใช้จ่ายยังไงเราควรมีระเบียบวินัยยังไงมันจะจัดระบบทุกอย่างฉันจำเป็นนะว่าเราเราจะรู้ประมาณตนว่าเออเราควรใช้ ขนาดไหนสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นเราก็ไม่ฟุ่มเฟื่อยเราก็ใช้สิ่งที่จําเป็นเออเรามีวิัยเรามีความซื่อสัตย์เรามีความสุจริตเนี่ยมันเป็นมโนธรรมที่เราได้จากการปฏิบัติพอเราทำไปเรื่อยๆนะจิต ฝึกไปฝึกไปฝึกไปกุศลที่ไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญมากขึ้นสติที่ระลึกไม่ได้ก็ย่อมระลึกได้ความพลังเผลกก็น้อยลงนะอารมณ์น้อยใหญ่ที่ปุ่นผันพันแร่นเนี่ยมันก็จะเบาลงบอกเออ เรากับมองมองเห็นตัวเองกําไรนะคนที่เห็นตัวเองเนี่ยคือคนที่กําไรคนที่ทำอะไรไม่รู้ตัวเนี่ยคือคนที่ขาดทุนบางคนเพื่อนยุนิดเดียวนะเอาแล้วเขาเป่าปีหน่อยเขาตีกองเชิดหน่อยก็เต้นเลยบอกโคุณ น, นี่ไม่ได้เรื่องเลยเขายุนิดเดียวคำพูดสองคำ อะไรเขายุนิดเดียวเราไปตั้งไกลเลยบอกคุณนี่โดนเขาหลอกง่ายเขาหลอกใช้นิดเดียวเขายุนิดเดียวเขาเป่าหูนิดเดียวแล้วอย่างนี้จะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารวันข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ตาจามาเวลาคนมาเล่าเรื่องมาฟ้องอะไรตาจาจะมองตาคนพูดด้วยจิตใจเขาเป็นยังไงพูดเพื่ออะไรตะมามองเจตนามองจะพูดเพื่อสะใจใจคนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ ยืมเหตุการณ์เขามาแล้วก็มาให้คนนั้นเขาเสียหายเยอะเราอย่าไปหลงนะคน ม, นมันมีผิดมีถูกหมดเนี่ยพอเราทำได้จุดนี้เราสบายเนี่ยเอาพื้นฐานตรงนี้ให้ได้ก่อนเอาแค่ภาวนาใจเดิม ฝึกความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในใจก่อนแล้วก็ฝึกการเคลื่อนไหวยังมีสติกเเรียกฝึกนอกในคือฝึกกายใจการฝึกชีวิตก็คือให้รู้จักสัจธรรมเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นยมจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม มันไม่ใช่อำนาจของเราไปบังคับบัญชามันได้ทุกเรื่องคนที่เป็นบ้าเเพราะคุณไม่ยอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดหรือสิ่งเกิดแล้วคุณปฏิเสธมันหรือคุณคุณบอกคุณยอมมันไม่ได้บอกไม่ใช่ไม่ใช่ ชีวิตไม่มีใครสมบูรณ์แบบกับมาเพอร์เฟกต์จะมาไม่ใช่ทุกคนไม่มีใครได้มาครบทุกอยาก่างแต่มาเจอมาเยอะแล้วมันเหมือนกับเป็นเหรียญสองหน้าโยนปึก เอาขวาเสียก้อยเอาก้อยเสียขวาเสียหัวมันต้องเสียอย่างใดอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าเลือกความเป็นใหญ่ในทางโลกิยะก็จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเลือกโลกุตระ ก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อำนาจการปกครองทั้งหมดไม่มีมีแต่อำนาจฝ่ายธรรมที่ชนะกิเลสสมานสุดท้ายพระองค์ก็เลือกชนะกิเลสสมานเพราะว่าพระองค์เป็นมาหมดแล้ว แต่ก็ไม่หลุดพ้นในที่สุดก็เลือกความเป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์สูญเสียอะไรไหมยมสูญเสียทุกอย่างเลือดเนื้อเชื้อไข่แล้วก็ชีวิตในโลกียะทั้งหมดแต่พระองค์ก็ได้โลกุตระจิตทั้งหมดเหมือนกัน แล้วก็นำพาเวนัสสัตว์น้อยใหญ่ข้ามฝั่งไปสู่โลกแห่งพระมักขาเดี๋ยวบอกเออยมจำไว้นาพวกเราไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและไม่มีชีวิตที่เป็นแบบ อาหารสำเร็จไม่มีไม่ใช่แกะมาม่าใส่ถ้วยเอาน้ำร้อนลวกครอบสักสามนาทีเปิดมาก็กินได้แนละ้วไม่ใช่ถ้าเลือกได้ทุกคนไม่มานั่งอยู่ที่นี่ ถูกก็เปล่าอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายก็ได้ที่มานั่งอยู่ที่นี่หรือภาคบังคับก็ไม่ทราบก็ได้ดแต่อืมเอาเถ อ, อยังไงยังไงก็มาแล้วก็ต้องได้อะไรไปบ้างอย่างน้อยฝึกสมาธิ เพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรยมจะพบเสียงหัวเราะร้องให้ดีใจเสียใจสทุกจิตทั้งนั้นเป็นตัวรับรู้ฉนันถ้าเราไม่มีสมาธิเลยน่าเสียดายน่าเสียดายต้องฝึกไป จะไม่มีอะไรเสียหายนะหนึ่งได้บําเพ็ญกุศลบารมีสองทำให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าเดิมสามชีวิตน่าอยู่น่าอยู่และอายุยืนนะคนทำฌานอายุยืนเลือดลมจะวิ่งดีถ้าไม่มีเวรกรรมมากมายเนะี่ยการทำฌานนะ เหมือนยาขนานเอกนะเป็นอายุวัฒนะอา้าวลองทำดูนะเลือดลมจะเดินดีผิวพรรณจะเปล่งปรั่งโฆษณาเส่นะ็จแล้วไม่พูดจริงนะแล้วอารมณ์จะแจ่มใสแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้พอเจออะไรเนะี่ยมัน มันรับเต็มเต็มเลยรับเต็มเต็มฉันเราฝึกเอาไว้วันหนึ่งยี่สิบนาทีพอกลับจากที่นี่ไปนะนั่งสมาธิหลับแค่ตานอกลืมตาในพุทธโธก็รู้กำหนดลมก็รู้หรือตั้งสติกำหนดดูกายดูจิต ก็รู้ทุกอย่างเป็นแค่ทางผ่านจำอาตมาไว้คำนี้ทุกอย่างเป็นเพียงทางผ่านใช้ไปแต่ละวันแล้วก็สิ้นสุดไปวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ผ่านไปอีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ผ่านไปอีกจนกว่า เราสิ้นใจไม่งั้นเราไม่เข้าใจเราจะทุกข์ทักมากเกินอย่าเราไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโลกใบนี้ได้ตามที่เราประสงค์ทุกเรื่องฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นตั้งสติบอกฝึกสติทำสมาธิแล้วใช้สติปัญญา นี่คือวิชาขั้นสูงสุดของมนุษย์สัตว์ที่แพ้เราอยู่ตรงนี้ถ้ามนุษย์ไม่ใช้สติปัญญาเราไม่ดีกว่าสัตว์เลยแต่มากล้าใช้คำนี้เราไม่ประเสริฐกว่าสัตว์ตรงไหนเลยเพราะอะไรเขาก็หายใจอากาศที่เราหายใจนี่แหละดื่มน้ำในลำธารในห้วยในคลองก็แบบเดียวกันนี่แหละเหมือนกัน แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันที่เห็นได้ชัดมนุษย์ใช้สติปัญญามนุษย์จเจริญกูสุสุนมนุษย์รักษาศีลนี่คือความประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานภูมิของเราจึงอยู่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงนี้ฉันพวกเราเอาแล้วเบื้องต้นเรารักษาศีล ทำกลางรักษาจิตสิ่งสูงสุดของชีวิตใช้สติปัญญานำพาชีวิตยมจะพาไปไหนหนานาจิตต่างงคนด่างเดินแต่ว่าบั้นปลายชีวิตจบสวยไหม แล้วใช่ยังใช่ที่เราเลือกไหมใช่ที่เราอยากเป็นไหมแต่มาอยังตอบไม่ได้หลายคนที่เริ่มเข้ามาบรรจุการทำงานมองไปยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าตำแหน่งแห่งผนเนี่ย จะจบอยู่ตรงไหนหรือบางคนต้องออกจากราชการมีเหตุผลอื่นที่ดีกว่าก็ได้หรือมีเหตุผลที่เลวร้ายต้องออกจากราชการก็ได้หรือจากหน้าที่การงานใครรับรองชีวิตได้บ้างตอนนี้คือคนประมาทถ้าพูดว่ารับรองชีวิตเราเดินดีๆถ้ขเขาขับรถไม่ดีอุบัติเหตุก็เกิดได้ เราระวังแต่เขาไม่ระวังบอกสิว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดนั่งรถไปกับเขาเราไม่ได้ขับเขาขับบอกสิว่ารับรองได้อะไรก็รับรองไม่ได้ไม่ได้โยมขึ้นรถมาเนี่ยโยมไม่ได้ขับเองเขาขับเราฝากชีวิตให้กับคนขับรถนะ สุขหรือเปล่าบ า, ออาบางอย่างเราลิขิตตัวเองบางอย่างก็เป็นไปตามลิขิดแต่ที่โยมต้องใช้สติปัญญาสุดท้ายคือตรงไหนรู้ไหมเรียนรู้ว่าอ น, นิจจังคืออะไรหลักของพุทธศาสนาเราสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกใบนี้ล้วนเป็นอนิจจัง แปลง่ายว่าความไม่เที่ยงชีวิตไม่เที่ยงสิ่งมีอยู่ในชีวิตไม่เที่ยงสิ่งรอบชีวิตไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงลมหายใจไม่เที่ยงวอร์ร้องให้ไม่เที่ยงหมดสรุปตรงนี้ทําไมต้องให้รู้ว่าไม่เที่ยงเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ กำหนดดูวัยชีวิตทารกน้อยเราใช้ไปแล้ววัยนี้หมดไปแล้วหนุ่มสาวเริ่มหมดไปแล้ววัยรุ่นหมดแล้วนะไม่มีแล้วถ้ายังเหลืออยู่ก็คงความรู้สึกแต่ความจริงไม่ปรากฏแล้วตรงนี้แต่มาดูแล้วไม่มีวัยรุ่นอยู่ที่นี่ มีแต่วัยสารุ่นแล้วก็วัยหมดรุ่นทั้งนั้นต่อไปจริงต่มากว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยตอนนั้นอายุสามสิบเจ็ดยังนึกว่าวัยรุ่นอยู่นะพูดจริงนะอายุสามสิบเจ็ดมารู้สึกตัวว่าเฮ้ยเรามีอายุแล้วหรือไปรู้ตอนไหน ตอนนั้นเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปที่ศึกษาพันไปดูพอจะซื้ออะไรมาศึกษาหน่อยพอดีศึกษาพันก็โรงเรียนอยู่ใกล้ๆอยู่แห่งหนึ่งรถก็ไม่มีที่จอดก็เบียนไปพอตะมาซื้อของเสร็จก็บอกให้มารับตะมาก็ไปรออยู่หน้าโรงเรียน พอดีเด็กเลิกเรียนพอดีเดินวิ่งออกมากันแต่มายืนมองแล้วก็มองตัวเองนี่มันคนละวัยกันเลยเนี่ยคนละวัยวัยนี้เราผ่านมาตั้งเกือบยี่สิบปีแล้วหรือเนี่ย พูดเหมือนโกหกแป๊บเดียวนี่เราเริ่มแก่แล้วหรือรู้สึกอุปเกิดอุทานออกมาในใจลึกๆเฮเราเกว่าวัยรุ่นอยู่นะยมคิดเหมือนตะมาไหมเอามีคนมาบอกว่าเราแก่ยอมรับไปยังเราจะต่อสู้ถึงที่สุด เราไม่ยอมรับแต่พอถึงจุดหนึ่งการต่อสู้ก็สิ้นสุดมันเป็นเช่นนี้เองคือเราอยอมรับเพรามันมันปฏิเสธไม่ได้แล้วแต่วันที่เรายังมันเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อช่วงข้อต่อที่เราเปลี่ยนบางทีเรายังไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับรู้สึกไหมว่าสามสิบเจ็ดแก่ถามจริงไม่ ใครแก่แก่แตมาไม่แก่นี่จะห้าสิบก็ยังไม่ยอมแก่เพราะต้องการอยู่ถึงร้อยหกสิบแต่ว่าจะลบเท่าไหร่ก็ช่างมันมตั้งเอาไว้่ตมาก็ไปรู้ว่าเออเราผ่านมาตั้งยี่สิบปีแล้วเลยเนี่ย พอขึ้นรถไนดะ้นั่งซึมไปเลยนะนั่งพิจารณาวิปัสสนาเกิดข้างในในที่สุดความแก่ก็มาเยือนเรารู้สึกตอน37นะความแก่ก็มาเยือนเรารู้สึกฉะนั้นบทความแห่งอนิจจังเนะี่ยทุกคนต้องยอมรับสบรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่ยจรังยั่งยืนบอกอนิจจาบอกเอออนิจจาวัตสังขาราท่านบอกทุกอย่างเราต้องปรงมันแล้วหลายคนไม่เคยปรองชีวิตไม่เคยวางชีวิตจึงยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกวุปท า, านพวกเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะอะไร เราอยู่กับสิ่งไหนนานๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันคือเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะยมสังเกตไหเส้นผมเวลาเรานอนหลับตื่นมาเนี่ยที่หมอนเนี่ยมันจะหลุดร่วงเรายังรู้สึกเส้นผมของเราด้วยซ้ำจริงๆมันหลุดไปแล้วนะเรายังบอกของเรา มันจะหลุดไปเรื่อยๆจนหมดหมดจริงๆนะดำเปลี่ยนเป็นขาวคนเคยพบเจอกันก็มาจากกันแต่มาจึงบอกคนเราเนี่ยพอจากกันแล้วก็เสียใจร้องให้เป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เพราะคำว่าจากนะลองย้อนใหม่ทุกข์เพราะ เราเจอใช่ไหมถ้าไม่เจอจะจากไหมเนี่ยพราะคำว่าเจอก่อนแต่เรามาจับคำว่าตอนจากถ้าเรามีสติเนี่ยธรรมารู้พอเจอปุ๊บเออเจอเพื่อจากธรรมะสอนเลยนะเดี๋ยนี้พอเจอปุ๊บเจอเพื่อจากเดี๋ยวนี้จพอเห็นพระธรรมารู้ละรามว่ามากี่วันอยู่กี่วัน ออท่านมาเราก็ดีใจท่านไปเราก็เออให้ท่านมีความสุขจะหมุนเวียนเงี้ยมันเป็นอ น, นิจจังจะบอกเออเจอเพื่อจากมันเป็นสัธจธรรมพบกันก็เพื่อความพัดพรากผูกพันกันมากพอถึงเวลาหนึ่งไม่มีธรรมะ เราก็รู้สึกสูญเสียจึงจำเป็นต้องรู้จักธรรมะข้อหนึ่งว่าอันนี้จังไม่เที่ยงยอมยอมรับไหมศึกษาธรรมะถึงจุดหนึ่งใช้สติระลึกก่อนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงพออะไรเกิดขึ้นปุ๊บ ถึงจะเสียใจไม่มากเกินเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงจริงอะไรก็ตามที่อยู่กับเรานานๆเราผูกพันกับมันบ้านแม้แต่สุนัขเราก็ยังผูกพันกับมันทุกอย่างบุคคลสถานที่เวลา อาจตะมาผ่านมาหมดแล้วตรรมะถามมาเพื่อนเราไปไหนหมดเพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนเที่ยวไปไหนหมดทิ้งเราอยู่คนเดียวผมบอกเขาไม่ทิ้งเราหรอกมันเป็นกฎอย่างหนึ่งช่วงหนึ่งอยู่ร่วมกัน เวลาหนึ่งต้องจากกันเราต้องเข้าใจมันถ้าเข้าใจแล้วโยมจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเราจะรู้สึกโหยหากับสิ่งนั้นระวังนะจิตที่โหยหานมันเป็นอำนาจแห่งความดิ้นรนทุกข์มาก กินนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวบอกที่สุดสุขเที่ยงไหมต้องฝึกกำหนดบ้างทุกเที่ยงไหมใจเรารู้สุขใจเรารู้ทุกแต่สุขทุกเที่ยงไหมเราใช้มาผ่านมาเรื่อยเรื่อยรืยเรื่อยรืยมันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกโยม มีแต่เราหมกมุ่นกับตัวเราเองมากเกินจนขาดกมามปัญญาขาดปัญญานำพาชีวิตคือให้ออกจากสิ่งนั้นอย่ายึดติดกับสิ่งนั้นภาษาบาลีของพระสุปฏิปันโนยังบอกยายะ ปฏิปันโนภคะวะโตเาวะกะังโกสงสาวกของพระผู้มีพระภาค้าวเป็นผู้ออกนะออกจากกันบอกเออเราต้องออกจากทุกปัญญานำพาจิตอย่าติดอยู่กับชีวิตที่ไม่เที่ยง ยมเคยฟังเรื่องนางตบาชาลานในวันเดียวคืนเดียวนางได้เสียคนรักถึงห้าหกชีวิตเริ่มต้นสามีตายงูเห่ากัดทำกลางสายฝนทุรักทุเลมากในระหว่างเดินทางที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ลูกสอง เมื่อสามีตายนางก็พาลูกไปส่องลูกสองคนตายน้ำหลากเอาลูกคนหนึ่งไว้อีกฝั่งหนึ่งบอกคนโตบอกว่าถ้าแม่แม่สัญญาณลูกอย่าลงน้ำนะให้รอแม่อยู่ที่ฝั่งเดีย๋ยวแม่จะอุ้มน้องไปกอดน้ำเชี่ยวมากอุมพาไป พอถึงฝั่งว่าแม่เดินกลับมาจะมาอุ้มลูกคนโตเห็นเหี่ยวตัวใหญ่บินมาจะมาคว้าลูกคนเล็กไปแม่ก็ไล่กักมือไปไปลูกเห็นนึกว่าแม่กวักมือแต่ทั้งที่แม่ไล่นะ่ะไล่เหี่ยวแต่ลูกนึกว่าแม่เรียกแล้วกวักมือ คลานลงน้ำหายจมไปเลยลูกมีหญิงคนไหนทนได้ที่เห็นลูกตกน้ำต่อหน้าต่อตาที่ไม่เสียใจที่ไม่ทุกข์ไม่มีหรอกจบเสียใจหันมาทีหนึ่งเกี่ยวตัวใหญ่จิกลูกโฉบพาไปต่อหน้าต่อตาสามีตาย ลูกตายลูกตายสามชีวิตนางจะพึ่งใครตอนนั้นไม่มีนางเสียใจสติสตังมันจะเบลอละเดินทางไปอีกกะไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่ฝนตกหนักในค่ำคืนนั้นหนักมาก ลมฝนพายุถลม่มบ้านเศรษฐีที่เป็นบิดามันดาของนางตะปัจจราตายทั้งบ้านเลยพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายเดินมาระหว่างทางก็ถามว่ารู้จักบ้านเศรษฐีนี่ไหมบอกรู้จักสิตายหมดทั้งบ้าน ฝนตกหนักะล่มลงมาเศรษฐีตายเมียเศรษฐีตายลูกชายตายมีใครทนได้บ้างโยงข่าวตายอีกสามเหมือนฟ้าฟาดลงกลางใจสติสตังระลึกสติควบคุมอารมณ์จิตไม่อยู่ความโศกเสียใจ ทำลายจิตใจจนเกิดความวิปริตวิปราชคลั่งไปในขณนะหนึ่งนางไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วไม่รับรู้อะไรอีกแล้วหกชีวิตโยมมนุษย์ใครก็ทนไม่ได้ถ้าคนนั้นยังไม่อาราหารันตผลไม่มีทาง ขนาดพระเทระอานนท์ว่าโสดาบาันเบื้องต้นยังร่ําให้เมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องบริญนิพพานยังรู้สึกเสียใจแต่ไม่ใช่เสียใจแบบขาดสติมีความโศกเศร้าอยู่แต่สติก็ระลึกอยู่อริยะยังมีโศกเศร้าอยู่บ้างแต่สตินั้นไม่ขาด นางตาบจราก็บทสภาพเนยมลงนึกภาพเดินพร่ำลูกตายสามีตายลูกตายพี่ชายตายพ่อตายแม่ตายจำได้แค่ท่อนสุดท้ายชีวิตคือความสูญเสียอย่างอื่นนาง ไม่ระลึกอะไรได้เลยลูกตายสามีตายพี่ชายตายพ่อตายแม่ตายใครทนได้คนนั้นไม่ใช่คนธรรมดานางตาปจาราก็เสียสติไปช่วงหนะึ่งแรงบีบคั้นความทุกข์มันบีบมาก นี่คือบทความของอนิจจ์ชีวิตที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ต่อมาก็เจอลูกศิษย์ก็มีเยอะความทุกข์หลายคนก็มาเล่าให้ฟังมาก็ร้องให้มาเอาลูกมาทั้งสามสี่คน บอกชีวิตกำลังมีความสุขสา ม, มีก็หน้าที่การงานก็ดีชีวิตมีความสุขตัวเองก็มีหน้าที่การงานดีแต่อะไรจะไปคาดคิดวุบติเหตุเกิดสา ม, มีตายกระทันหันรับไม่ได้แต่ต้องอยู่ต่อ ธรรมะก็บอกโยมเมื่อเขาให้อยู่โยมต้องอยู่ต่อจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่แต่ต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้สุขทุกข์ไม่สำคัญเท่ากับมีชีวิตอยู่ให้ได้ตอนนี้สบายลำบากอย่าไปสนมันสนที่ว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้เลี้ยงลูกให้โต หน้าที่ของโยมยังไม่สิ้นสุดเลี้ยงลูกให้โตทุกคนไปทำหน้าที่หยุดเสียใจพอแล้วเขาบอกเขาจะอยู่ยังไงทํามาบอกอยู่ยังไงก็ได้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปไปสู้ต่อ โยมเชื่อไหมหายไปประมาณสิบกว่าปีกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่ทำบุญเสียดายตรงนี้แม่มาเล่าให้ฟังว่าก็ทนอยู่ช่วงแรกอยู่นานพอสมควรอยากตายอยู่ทุกวันร้องให้ทุกวัน แต่ที่สุดก็ไปปักหลักทำอะไรได้ตอนนี้มีร้านอาหารอยู่ที่ต่างประเทศเลี้ยงลูกจบปริญญาหมดแล้วแล้วบอกว่าโยมตอนนี้โยมสบายแล้วแต่ทำไมไม่ทำบุญสงสัยแต่ไม่ถามไม่ทำบุญเลยเอาลนะ เขาไปได้ดีเราก็ดีใจด้วยแต่มามีความสุขนะที่เห็นว่าเขาเลี้ยงลูกรอดและเขามีชีวิตอยู่ได้แล้วอ ย, ย่งมีความสุขนะเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะโอ้ผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงลูกสามสี่คนลูกเจ็ดขวบสิบขวบสิบสองขวบเนี่ย เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เลี้ยงลูกได้ดีด้วยโอ้ไม่ธรรมดาเห็นไมโยมถ้าคนไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตเนี่ยอตามามบอกว่าเราไม่ใช่บังคับบัญชาชีวิตได้เรื่องบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราแต่จำไม่ว่าชีวิตคือสิ่งไม่เที่ยงแท้ ยอมยอมรับข้อนี้ได้แค่ไหนถ้ายอมรับได้ทุกหรือสุขก็ไม่จำเป็นต้องยึดไม่จำเป็นแต่เรามีสุขเราก็รู้เรามีทุกขเราก็รู้และเราผ่านมันไปสุขทุกมันไม่เป็นของเราแท้หรอกโยมมันเป็นเพียง ชีวิตที่เราใช้และรู้จักกับมันทุกวันนี้ที่โยมผ่านมาแล้วนมันก็คือผ่านไปแล้วนั่นแหละคือบทอนิจังพอเข้าใจอนิจังทำไงต่อใช้ปัญญานำพาชีวิตไม่ควรยึด ต, ติดสิ่งใดในโลกนี้แต่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ อย่างมีความสุขมากกว่าความทุกจงเลือกเลือกจงมีความสุขมากกว่าความทุกขไม่งั้นโยมขาดทุนวิธีอยู่ต่มาบอกไม่ได้อยู่ที่โยมจะใช้วันนี้ถ้าโยมมีความสุขโยมกํำไรชีวิตแต่วันนี้ถ้ามีความทุกข์ ชีวิตขาดทุนมันเนี่ยรวยจนอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าเรามีอยู่แค่สามร้อยวันสมมติเราทุกไปสองร้อยวันสุขร้อยวันยอมขาดทุนนะอาจจะมาไม่ยอมขาดทุนรู้ว่าชีวิตเราเหลือน้อยเวลาก็จำกัด เหตุใดใจต้องทุกข์กับวันนี้แตม่มาจะยกจิตตัวเองให้อยู่เหนือเหตุการณ์ที่ทุกข์อยู่ให้เร็วที่สุดโยมนึกว่าแตมาสบายหรือแตามามีหน้าที่เยอะกว่าโยมด้วยซ้ำไปรับผิดชอบเยอะ สำนักใหญ่ๆทั้งสามแห่งไม่ได้รวมของลูกศิษย์สาขานาทีการงานเยอะเยอะแต่ตามาเป็นนักบริหารเริ่มจากเรารู้ใจก่อนบริหารใจตัวเองบริหารกายบริหารงานบริหารชีวิต แล้บริหารอนาคตทุกคนมีคมว่าอนาคตยุมวางไว้แบบไหนอาตมาวางอนาคตตาตมางานชิ้นใหญ่เลยแต่ไม่ใช่ความทะเยอทะยานพร้อมเมื่อไหร่ก็จะทำทำํายมอยาเข้าใจว่าพระไม่มีงานโอโหงานเยอะ ถ้าไม่ตัดออกสักบ้างเนี่ยไม่ไหวเยอะเยอะมีก็มาทำอะไรจึงต้องรีบทำให้เสร็จเร็วแค่ที่ยมนั่งศาลาหลังนี้ถ้าสร้างช้าๆห้าปีก็ไม่เสร็จหลังเนี่ยยิงชาก็ร้อยล้านก็ไม่รูจ้จะพอเปล่าได้หลังเนียแค่พื้นยมนั่งก็กี่ล้านแล้วที่นั่ง เราเราต้องมีปัญญานำพาชีวิตอย่าไปติดกับสิ่งใดถ้าโยมทำปัญญาให้เกิดจุดนี้ได้นะโยมจะผ่านมันไปทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเจอคนดีคนเลวเราก็ผ่านไปเจอสุขเจอทุกเราก็ผ่านมันไป สุดท้ายจะอยู่แค่คำวมาหัวใจตัวเองแต่ตมาบอกใช้สติจิตปัญญานำพาชีวิตสติจิตปัญญานำพาชีวิตไปไหนหนึ่งภูมิชาติพบมนุษย์โลกนรกภูมิ สวรรค์พรหมโลกและดับชูนในที่สุดโยมต้องนำพา จ, จิตนี้ไปอัตามาก็นั่งดูอยู่แล้วก็รู้ว่าเราจะไปไหนโยมเชื่อไม้ว่าในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้า เประทับอยู่แล้วก็มีลูกสาวในช่างหูบวันนั้นนางรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาเสด็จมาประทับแสดงทับนางวันนั้นข ย, ยันแต่เช้าเลยนะหมายถึงว่าทําการงานธุระให้รีบเสร็จแต่วันเลยแล้วก็นางก็ขอพ่อว่านางจะไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเสด็จมา นางก็รีบมาพุทธเจ้ายัางไม่แสดงธรรมนะรอนางอยู่พอมาปุ๊บพุทธเจ้ากัดถามนางว่าแม่นางมาจากไหนนางตอบว่าไม่ทราบฟังให้ดีนะแล้วแม่นางจะไปไหนนางก็ตอบว่าไม่ทราบ ยมนึกว่าเป็นคำยวนเลอไม่ได้ยียวนนะรู้ไหมนางคนนี้บรรลุโสดาบันจเจริญมรณสตินางรู้กับพระพุทธเจ้าความหมายคนที่นั่งฟังก็หันไปมองว่าทำไมนางผู้นี้จึงกล่าวคำเช่นนี้มาจากไหนไม่ทราบ แล้วนางจะไปไหนไม่ทราบรู้ไหมเนื้อความคืออะไรพระพุทธเจ้าถามว่าในอดีตชาติก่อนที่นางจะมาเกิดชาตินี้นางมาจากภูมิชาติไหนนางบอกไม่ทราบถูกแล้วที่นางไม่ทราบแล้วหลังจากนี้เมื่อนางสิ้นลมไปเมื่อนางตายไปนางจะไปไหนนาง ตอบว่าไม่ทราบเพราะไม่รู้ว่าภูมิหลังความตายยมรู้ไม่ยมไปไหนแม่บอกว่าไปป่าช้านะ่ะโอ้ยไอ้ น, นั่นมันร่างกายยงใครจะไปสนตรงนั้นปล่อยก็เน่าเปื่อยนอนก็กินก่อนจะมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน เมื่อใช้ชีวิตหมดไปแล้วจะไปไหนโยไม่รู้ไอความไม่รู้เขาเรียกว่ า, าวิชาราักษาของพระเป็นอวิชชาและถ้าจะมาถามโยมมีใครรู้ไหมว่าก่อนพ่พวกเราจะมาเกิดที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมาจากไหนไม่รู้ แล้วเมื่อตายแล้วไปไหนไม่รู้ตอบแบบนี้ไม่สวยคุณบอกไม่รู้คำเดียวนึกว่าเรื่องทั้งหมดจบเลยไม่ใช่อาจจะมาต้องรู้ให้ได้ว่าตายแล้วไปไหนถึงไม่รู้ตอนมาแต่ต้องรู้ตอนไป ธารมาจึงบอกสวรรค์นรกเขาบอกนรกอยู่ที่อกสวรรค์อยู่ที่ใจเขาเปรียบเทียบมว่าเวลาทุกข์ก็เป็นนรกในอกถ้าสุขก็เป็นสวรรค์ในใจเอาละมนุษย์คิดได้แค่นี้ไม่เป็นไรอาตอมาก็คิดแบบนี้เมื่อก่อนธารมาพูดหนักกว่านี้ธารมาบอกเวลาหิวเหมือนตกนรก เวลาอิ่มแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์เอาเชื่อไม่จัมมาตอนเป็นเด็กอดอาหารทีสองสามวันเนี่ยนะความหิวเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยวันไหนได้กิ น, นจะมาไม่สนอร่อยไม่อร่อยกินแล้วหมดแล้วอร่อยหมดนี่คือสวรรค์ของจอัมมาคานิยามจัมม่าเรื่องจริงการอยู่รอดมีเข้ากินวันนี้คือสวรรค์ไม่ได้กินตกนรกวันนี้ แต่มาพูดไม่ผิดนะครับเนียยมลงหิวทุไม่ใช่หิวแบบไม่กินลดความอ้วนนะไม่ใช่นี่หิวแบบอยากกินแต่ไม่ได้กิน น, ะนรกชัดๆเลยแล้วยิ่งไปเห็นเขานั่งกินอยู่เราก็มองโอ้ยิ่งตกนรกใหญ่เลยนี่เขาอาปากแล้วยิ่งตกนรกใหญ่เลยเห็นแต่ว่าตอนนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าบอกโยมละเอียดไม่ได้หลังความตายกับความเป็นเนี่ยมันแค่ม่านบางนิดเดียวเองแต่เราไม่เห็นไม่เห็นโยมลงปฏิบัติไปแล้วถ้าจิตละเอียดแล้วยมจะสัมผัสเอง ยมเคยรู้สึกไหมบางครั้งเหมือนมีเงาดำๆตามเราบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งนะบางโอกาสมันเหมือนมีเงาบึบๆรู้สึกเอ๊ะเหมือนอะไรแบบๆอยู่หลังเรารู้สึกขนลุกสู้นั่นคือได้สัมผัสในโลกแห่งวิญญาณ มันพูดตรงนี้มันเหมือนไม่ใช่ภาษาที่พวกเราฟังตรงนี้และไม่ใช่คำที่พูดมันเป็นภาษาที่จะมา อ, อกบาปบุญคุณโทษผิดถูกดีชั่วสี่คำนรกสวรรค์พรหมโลกหรือดับสูนมันมีภูมิพบอยู่ แต่ผู้บําเพ็ญจะรู้อย่างน้อยตมารว่าอยู่แบบมีสุคติจากไปก็มีสุคติสุคติก็คือภูมิอย่างน้อยคือมนุษย์และก็สวรรค์พรมารุ่ยเพราะอะไรไมเพราะจิตนี้เป็นสวรรค์หนึ่งมีกุศลหล่อเลี้ยงสองมีเมตตาธรรมคุ้มครองจิตไหม ไม่คิดร้ายกับใครใครว่าใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครด่าใครบ่นตนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพ่อรู้และแล้วไม่มีความโลบเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นไม่อิจฉาริษยาใครใครได้ดีสาทุจบนอนหลับสบาย จิตไม่คิดร้ายเนี่ยนอนหลับเป็นสุขน ะ, ะบอกเออเนี่ยเรารู้แล้วภูมิจิตเราอยู่ตรงไหนภูมิจิตตรงเนี้ยจะบอกถึงว่าเราอยู่ในภูมิไหนว่าคุณธรรมของเรามันเป็นเครื่องตัดสินได้ของโยมวันวันหนึ่งไม่รู้พ้นนรกหรือเปล่าว่าไม่รู้ บางทีเดือดจนหน้าแดงตาหลุดออกมาเลยยักษอากับกิริยาโอออกมาจะกินเลือดกินเนื้อกันบางคนโกรธมากทำอะไรไม่ถูกดึงผมตัวเองอีกโอโหทำร้ายร่างกายตัวเองโยมโกรธครั้งหนึ่งรู้ไหมโยมมันกับเพิ่มโรคให้ตัวเองอนะยาคนที่โกรธง่ายๆมีโรคภัยไข้เจ็บ ง่ายนะพยายามนั่งสมาธิธรรมชาตนะรักษาโรคนะทำใจสบายนะพยมทำได้ที่นั่งยิ้มเหมือนโพธิสัตว์นั่งใจสบายลืมตามาใจใสได้ยินเสียงก็ไม่รำคาญใจนะเวลาคนใจสบายนะได้ยินนี้มันไม่รำคาญ น, นะ แต่ถ้าใจไม่สบายโอ้ไม่ได้เลยพูดคำสองคำนี้ฟังไม่ได้ดันโยมฝึกสมาธินะ่ะก็สมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ